กตอนุชานะว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องใช้อย่างครหัตสมัยนั้นคนทั้งหลายตกแต่งที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ไว้ที่โรงอาหารในละแวกบ้านคือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด 2. เตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ ร, ร้าย 3. พรมขนสัตว์ 4. เครื่องลาดขนแกะลายวิจิตห้ 5. เครื่องลาดขนแกะมีสีขาว เครื่องลาดมีรูปดอกไม้ 7. เครื่องลาดยัดนุ่น 8. เครื่องราชขนแกะวิจิตด้วยรูปสักร้ายชี่นราชสีและเสือ 9. เครื่องราชขนแกะมีขนสองด้าน 10. เครื่องาชขนแกะมีขนด้านเดียว 11. เครื่องลาดปากด้วยไหมประดับรัตนะ 12. เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะ 13. มเครื่องลาชขนแกะขนาดใหญ่ ที่นางฟอนสิบหคนร่ายรำ14เครื่องลาดบนหลังช้าง15เครื่องลาดบนหลังมา้า16เครื่องลาดในรถ17เครื่องลาดทำด้วยหนังเสือ18เครื่องลาดหนังชมด19เครื่องลาดมีเพดาน20เครื่องลาดมีหมอนสองข้างภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมนั่ง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องใช้อย่างครงหัดยกเว้นเครื่องลาดสามชนิดคือมานั่งสี่เหลี่ยมเตียงใหญ่เครื่องลาดยัดนุน่นนอกกนั้นนั่งได้แต่ไม่อนุญาตให้นอนสมัยนั้นคนทั้งหลายตกแต่งเตียงบ้างต่างบ้างยัดนุ่นไว้ที่โรงอาหารในละแวกบ้าน ผู้ภิกษุยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมนั่งภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งบนเครื่องใช้อย่างครหัหได้แต่ไม่อนุญาตให้นอนเจตวันวิหารอนุโมทนาว่าด้วยทรงอนุโมทนาการถวายพระเชตวันวิหารครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิเนกะข้าบดีในกรุงสาวัตถีนั้นครั้งนั้นอนาถปิเนกะข้าบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคลั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร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 ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปครั้นราตรีนั้นผ่านไปอนาถเบิกะข้าพเดีสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตให้คนไปกราบทูลพัตการว่าถึงเวลาพัตหารแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัตหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกทรงถือบาทและจีวร เสด็จเป็นนิเวศของอนาถปิเิกะข้าพดีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์อนาถปิเนกะข้าพดีได้นำของเขี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตาหารแล้วละพระหัตจากบาทจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรเรียกกราบทูลดังนี้ว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรในพระเชตวันพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงจัดถวายเชตวันแก่สง์จากทิศ ท, ทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มาอนาถวินิกระรับสนองพระพุทธธรรมรัสแล้วได้ถวายพระเชตวันแก่สง์จากทิศ ท, ทั้งสี่ผู้มาแล้วและยังไม่มาคาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร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 พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมถวายภิกษุผู้โพหูสูตรให้อยู่ในที่นี้เถิดอีกประการหนึ่งผู้เป็นบันดิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุโพหูสูตรผู้ปฏิบัติตรงพึงถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะอันควรแก่ท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเหตุบรรเทาสัพพทุกข์แก่เขาซึ่งเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานได้ในชาตินี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่อนาถานิาคขาบาดีด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับอาสนะปฏิภาหนาทิว่าด้วยการกี่การอาสนะเป็นต้น เรื่องบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันสมัยนั้นมหาอามาตผู้หนึ่งเป็นสาวกของอาชีวกจะถวายสังฆพัฒท่านพระอุปนันทสักยบุตรมาภายหลังบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่กาลังฉันอยู่จึงเกิดความวุ่นวายขึ้นในโรงอาหารครั้งนั้นมหาอามาตผู้นั้นตําหนิประนามโพท น, นาว่า เชไหนผู้พระสมณะเชื่อสายศักยะบุตรมาภายหลังจึงบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่กำลังฉันอยู่เล่าทําให้เกิดความวุ่นวายในโรงอาหารภิกษุผู้นั่งที่อื่นควรจะได้ฉันจนอิ่มมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายได้ยินมหาอามาตย์นั้นตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนามโพนธนาว่าเชไหนท่านพระอุปนันทศักยะบุตร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 ทั้งที่กําลังฉันอยู่ทําให้เกิดความวุ่นวายในโรงอาหารจริงหรือพระอุปนันธาทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมคบุรุษจะไหนเธอมาภายหลังจึงบังคับภิกษุผู้นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่กําลังฉันอยู่ทาให้เกิดความวุ่นวายในโรงอาหารเล่าโมคบุรุษการกระทําอย่างนี้ ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมอิกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เพึงบังคับให้ภิกษุที่นั่งอาสนะถัดไปให้ลุกขึ้นทั้งที่กําลังฉันอยู่รูปใดบังคับให้ลุกขึ้นต้องอาบัตทุกกดถ้าบังคับให้ลุกขึ้นภิกษุที่ลุกขึ้นนั้นย่อมเป็นผู้ห้ามพัดด้วยเพื่งกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านจงไปหาน้ํามา ถ้าเพึงได้น้ำนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุที่ถูกบังคับให้ลุกขึ้นนั้นพึงเกลื่นมเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยแล้วจึงให้อาสนะแก่ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าภิกษุทั้งหลายแต่เราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุพึงกีดกันอาสนะสำหรับภิกษุผู้แก่พรรษากว่าโดยปริยายใดๆรูปใดกีดกันต้องอาบัตทุกกฎ เรื่องผู้พิสุชาภคีไล่พิสุอาพาศสมัยนั้นผู้พิสุชาภคีบังคับผู้พิสุเป็นไข้ให้ลุกขึ้นผู้พิสุเป็นไข่ตอบว่าพวกเราไม่สามารถลุกขึ้นได้เพราะพวกเราเป็นไข้ผู้พิสุชาภคีกล่าวว่าพวกเราจะช่วยพยุงพวกท่านให้ลุกขึ้นแล้วช่วยประคองให้ลุกขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ผู้พิสุไข่ยืนอยู่ผู้พิษุไข้สลบล้มลง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงบังคับภิกษุเป็นไข้ให้ลุกขึ้นรูปใดบังคับให้ลุกขึ้นต้องอาบัต ท, ทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุชาภคีกล่าวว่าพวกกระผมเป็นไข้ไม่ควรที่จะถูกไล่ให้ลุกขึ้นแล้วยืดเอาที่นอนดีๆ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 ภิกษุไม่พึงกีดกันเสนาสนะโดยอ้างเลตรูปใดกี่กันต้องอาบัตทุกกฎเรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะสมัยนั้นผู้ภิกษุสัตตะสวะคีผู้ภิกษุที่อยู่ในกลุ่มภิกษุ17รูปซ่อมแซมวิหารหลังใหญ่แห่งหนึ่งอยู่สุดเขตอารามด้วยหมายใจว่าพวกเราจะจำพรรษาในที่นี้ผู้ภิกษุชาพคี เห็นผู้ภิกษุสัตระสวคคีกำลังซ่อมแซมวิหารครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผู้พิกษุสัตระสวคคีเหล่านี้กำลังซ่อมแซมวิหารมาเถิดพวกเราช่วยกันขับไล่ผู้พิสุสัตระสวคคีนั้นออกไปภิกษุบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดคอยจนกว่าผู้พิษุสัตระสวคคีนั้นจะซ่อมแซมวิหารเสร็จ แล้วพวกเราค่อยไล่ออกไปต่อมาพวกพิสุชาภคีเด็กกล่าวกับพวกพิกษุ ส, สัตระสวคีดังนี้ว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราพวกพิสุสัตระสวคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านควรจะบอกก่อนไม่ใช่หรือพวกเราจะได้ซ่อมแซมวิหารหลังอื่นพวกพิสุชาพาคีตอบว่าท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงไม่ใช่หรือ ผู้พิษุสัตระสวคคีตอบว่าใช่ท่านทั้งหลายวิหารเป็นของสงฆ์ผู้พิษุชาพคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราผู้พิษุสัตระสวัคคีกล่าวว่าวิหารใหญ่พวกท่านก็อยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้ผู้พิษุชาพคีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารเป็นของพวกเราแล้วโกรธไม่พอใจ จับคอฉุดลากออกไปผู้ พ, พิสุสัตระสวคีเมื่อถูกผู้พิสุชาพคีฉุดลากออกไปก็ร้องไห้พิสุทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องไห้ทำไมผู้ พ, พิสุสัตระสวคีตอบว่าท่านทั้งหลายผู้ พ, พิสุชาพคีเหล่านี้โกรธไม่พอใจฉุดล่าผูกระผมออกจากวิหารของสง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตํหนิประนามโพท น, นาว่าจะไหนพวกภิกษุชาวพาคีจึงโกรธไม่พอใจชุดลาภภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงเหล่าครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปรกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวพัคีกโกรธไม่พอใจ ฉุดลาภภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมยถารับสั่งกระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกรธไม่พอใจไม่พึงฉุดล่าภิกษุออกจากวิหารของสงรูปใดฉุดลาพึงปรับอาบัตตามธรรม ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะเสนาสนะคาหาประกะสมมุติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าใครจะพึงจัดแจงให้ภิกษุถือเสนาสนะภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ5อย่างเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงให้ถือเสนาสนะคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบ2ไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักเสนาสนะที่ให้ภิกษุถือและเสนาสนะที่ยังไม่ได้ให้ภิกษุถือวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา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 เรื่องวิธีาการให้เถรเสนาสนะเป็นต้นครั้งนั้นภิกษุเจ้าหน้าที่จัดแจงให้เถรเสนาสนะทั้งหลายปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะให้ภิกษุเถรเสนาสนะอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นับภิกษุทั้งหลายก่อนครั้นนับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงนับที่นอน แล้วจึงให้เธอตามจำนวนที่นอนเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้เธอตามจำนวนที่นอนที่นอนเหลือมากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอตามจำนวนวิหารเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้เธอตามจำนวนวิหารวิหารก็ยังเหลือมากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอตามจานวนบริเวณ เมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่ทั้งหลายให้เธอตามจำนวนบริเวณบริเวณก็ยังเหลือมากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เพิ่มให้อีกเมื่อภิกษุรับส่วนเพิ่มไปแล้วภิกษุอื่นมาเมื่อไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ต้องให้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุผู้อยู่นอกศีมาถือเสนาสนะ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถือเสนาสนะแล้วหวงไว้ตลอดเวลารูปใดหวงไว้ต้องอาบัต ท, ทุกกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หวงไว้ได้ตลอดสามเดือนฤดูฝนแต่จะหวงไว้ตลอดฤดูกาลไม่ได้เรื่องให้ถือเสนาสนะสามอย่างต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าการให้ถือเสนาสนะมีกี่อย่าง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 เสนาสนะที่จะให้ถือในวันเข้าพรรษาหลังพึงให้ถือในเมื่อเดือน8ดล่วงไปหนึ่งเดือนเดือนเก้เสนาสนะที่จะให้ถอในช่วงพ้นจากระยะนั้นพึงให้ถือในวันถัดจากวันปวารณาคือวันแรมหนึ่งข้าเพื่ออยู่จำพรรษาต่อไปภิกษุทั้งหลายการให้ถือเสนาสนะมีสามอย่างนี้ทุติยภานวาระจบ ติยาพานวาระเรื่องพระอุปนันทสากยะบุตรจองเสนาสะนะสมัยนั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรเถอเสนาสะนะในกรงสาวทถีแล้วเดินทางไปอาวาาใกล้หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งได้เถอเสนาสะนะในที่นั้นอีกครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านอุปนันทสกยะบุตรนี้เป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท ก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าท่านอุปนันทาศักยบุตรจะจําพรรษาในอาวาดนี้พวกเราทั้งหมดจะอยู่ไม่ผาสุกอย่ากระนั้นเลยพวกเราจะถามท่านอุปนันทาศากยบุตรลําดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงถามท่านพระอุปนันทาสากยบุตรดังนี้ว่าท่านอุปนันทะท่านเถอเสนาสนะในกรุงสาวัตถีแล้วไม่ใช่หรือท่านพระอุปนันทาศากยบุตรตอบว่า ใช่แล้วท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านรูปเดียวเหตุใดจึงหวงเสนาสนะไว้ถึงสองแห่งเล่าท่านพระอุปนันทสากยาบุตรตอบว่ากระผมจะสละเสนาสนะที่นี่ใบเดียวนี้แล้วจะถือเสนาสนะในกรุงสาวัตถีนั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนามโพท น, นาว่าเไหนท่านอุปนันทสากยาบุตรจึงหวงเสนาสนะไว้ถึงสองแห่งเล่า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 ภิกษุรูปเดียวไม่เพิงหวงเสนาสะนะไว้สองแห่งรูปใดหวงไว้ต้องอาบัตทุกกดเรื่องตรัตวินัยกถาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัตวินัยกถาแก่ภิกษุทั้งหลายทรงพรรณนาคุณแห่งพระวินยัยตรสัสสรรเสริญการเรียนพระวินยัยทรงพรรณนาคุณของท่านพระอุบาลีโดยประการต่างๆภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสวินัยคาถาทรงพรรณนาคุณแห่งพระวินัยตราสรนเสริญการเรียนพระวินัยทรงพรรณนาคุณของท่านพระอุบาลีโดยประการต่างๆขอให้พวกเรามาเรียนพระวินัยในสำนักของท่านพระอุบาลีกันเถิดภิกษุเหล่านั้นจํานวนมากเป็นเถระก็มีเป็นนวิกะก็มีเป็นมชิมะก็มีพากันเล่าเรียนพระวินัยในสำนักของท่านพระอุบาลี ท่านพระอุบาลีก็ยืนสอนด้วยความเคารพภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระฝ่ายภิกษุเทระทั้งหลายก็ยืนเรียนด้วยความเคารพธรรมด้วยเหตุนี้ภิกษุเทระทั้งหลายก็เมื่อล้าและท่านพระอุบาลีก็เมื่อล้าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอน นั่งบนอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าภิกษุผู้เรียนที่เป็นเทระได้ด้วยความเคารพธรรมให้ภิกษุผู้เทระผู้เรียนนั่งบนอาสนะเสมอกันหรือต่ำกว่าพระผู้สอนที่เป็นนวกาได้ด้วยความเคารพธรรมสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากยืนรอคอยจะเรียนพระวินัยในสำนักของท่านพระอุบาลีจนเมื่อไร้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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงละสามรูปตังละสามรูปแม้ภิกษุสามรูปนั่งบนเตียงก็ทำให้เตียงหักนั่งบนตังก็ทำให้ตังหักภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงละสองรูปตังละสองรูปสมัยนั้น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 ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าอาสนะยาวที่สุดกําหนดไว้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอาสนะยาวที่สุดนั่งได้สามรูปสมัยนั้นนาวิสาขามิคารมาตาประสงค์จะให้สร้างประสาทมีระเบียงและมีหลังคาดังเซิด ต, ตั้งอยู่บนกระพงช้างถวายสง์ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่า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 ให้ทำลายรูปสัตว์ร้ายเตียงใหญ่แล้วใช้สอยได้ให้รื้อฟูกที่ยัดนุ่นทำเป็นหมอนแล้วใช้สอยได้นอกจากนี้ให้ทำเป็นเครื่องลาดพื้นอวิสัชยยะวัตถุว่าด้วยของที่ไม่พึงสละสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งไม่ห่างจากโรงสาวถีจัดแจงเสนาสนะแก่ผู้ภิกษุอาคันตุกะ และภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางได้รับความลำบากครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าเวลานี้พวกเราจัดแจงเสนาสนะแก่พวกภิกษุอคันตุกะและภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางได้รับความลำบากท่านทั้งหลายเอาเถอะพวกเราจะมอบเสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดแก่ภิกษุรูปหนึ่งจะใช้สอยเสยนาสนะของเธอ ภิกษุเหล่านั้นได้ให้เสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุอคันตุ ก, กะทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจําในอาวาสเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านปโปรดจัดเสนาสนะให้พวกเราผมเถิดภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายตอบว่าเสนาสนะของสงฆ์ไม่มีหรอกท่านเสนาสนะทั้งหมดพวกเรามอบให้ภิกษุรูปหนึ่งไปแล้ว ภิกษุอคันตุกะทั้งหลายถามว่าพวกท่านมอบเสนาสนะของสง์ให้ภิกษุรูปหนึ่งไปแล้วหรือภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายตอบว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มากน้อยสันโดษตําหนิประนามโพลทนาว่าจไหนภิกษุทั้งหลายจึงสละเสนาสนะที่เป็นของสงเล่าครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้เปิดกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ครั้นทรงตำหนิทรงแสดงธรรมิกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายของที่สละไม่ได้ห้าหมวดสงคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัติทุนลใจของที่มีควรสละห้าหมวดมีอะไรบ้างคือหนึ่งอารามพื้นที่อารามนี้เป็นของที่มีควรสละอันดับที่หนึ่ง สงฆณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัติทุนละใจ 2. องวิหารพื้นที่วิหารนี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่สองสงฆณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัติทุนละใจสามเตียงต่างฟูกหมอน นี้เป็นของที่ไม่ควรสระอันดับที่สสงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงสระแม้สระแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสระต้องอาบัตถุนลใจสี่หม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึงจอบสว่านนี้เป็นของที่มีควรสละอันดับที่สสงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสระ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 สงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัติทุนละใจเอเวพังคิยวัตถุว่าด้วยของที่ไม่พึงแบ่งเรื่องพระอัศชิและพระบุญภัสุกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีตามพระอธียาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปกีตาคีรีชนบท พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระอัสสชิและพระปุณณพสุกะทราบข่าวแล้วปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคกาลังเสด็จมาคีตาคีรีชนบทพร้อมกับภิกษสุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพวกเราจะแบ่งเสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วพวกเราจะไม่จัดเสนาสนะให้ท่านทั้งสองนั้นพระอัศชิและพระปุณภสุกนั้นจึงแบ่งเสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเจาริกไปโดยลำดับจนถึงกีตาคีริชนบทแล้วครั้นแล้วได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปหาภิกษุอัศิ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 ครถึงแล้วเรียกล่าวกับพระอัสสชิและพระปุณณพสุกะดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้า้อยรูปรวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะขอให้ท่านทั้งหลายจงจัดเสนาสนะถวายพระผู้มีพระภาคภิกษุสงฆ์รวมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระอัสสชิและพระปุณณพสุกะตอบว่าท่านทั้งหลาย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 ใช่แล้วท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหนิประนามโพลทนาว่าชไหนพระอัศชิและพระปุณณพสุกะจึงแบ่งเสนาสนะของสงเหล่าลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระอัศชิและพระปุณณพสุกะ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 ท trend, os, 5, honestly, Alum, no matter, ิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งห้าหมวดสงฆณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัติทุนละใจของที่ไม่ควรแบ่งห้าหมวดคือหนึ่งอารามพื้นที่อารามนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่หนึ่งสงฆณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัติทุนลใจ 2. วิหารพื้นที่วิหารนี้เป็นของที่มีควรแบ่งอันดับที่สองสงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตทุนละใจสยมเตียงต่างฟูกหมอนนี้เป็นของที่มีควรแบ่งอันดับที่สสงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่ง ต้องอาบัดทุนลใจสี่หม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานผึงจอบสว่านนี้เป็นของที่มีควรแบ่งอันดับที่สสงฆ์คณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัดทุนและใจห้าถั่ววันไม้ไผ่หญ้าปล้องหญ้ามงกระตายหญ้าสามัน ดินเครื่องไม้และเครื่องดินนี้เป็นของที่ไม่ควรแบ่งอันดับที่ห้าสงคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตทุนและใจภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งห้าหมวดเหล่านี้แลสงคณะหรือบุคคลไม่พึงแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่งรูปใดแบ่งต้องอาบัตทุนลใจ